ช่วงนี้ก็มีฝนตกบ่อยที่วัดเรานี่ก็ถนนลื่นมีตะไคร่เขียวเราจะเห็นพระแมชีหรือโยมเนี่ยมาช่วยกันขัดถนนเพื่อให้ไม่ลื่นทุกคนที่จะมาสังเกตนะก็จะทำด้วยทอย่างมีความสุขอะบางคนทาทั้งวันเลย ทำให้วันนี้ธรรมาก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำงานการทำงานบางคนทำแล้วก็มีความสุขแต่บางคนทำแล้วก็ทุกข์อยู่ที่เราจะวางใจยังไงถ้าวางใจเป็นการทำงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยสามารถเจริญสติสร้างความสุกตัวได้แต่ถ้าทำไม่เป็นก็แค่ออกกลังกายเฉย ประโยชน์น้อยอย่างมีเรื่องเล่าอันนี้อันมาจำาจากอาจารเปี่ยศานะมีช่างก่ออิฐอยู่สามคนกำลังก่ออิฐ ก, กันอยู่ช่างคนแรกก็ทำไปหยุดไปสีหน้าก็เคร่งเคียดช่างคนที่สองเนี่ยก็ตั้งใจทำแต่ก็ชอบยกมือ ดูนาทิกาอยู่เรื่อยช่างคนที่สามอันนี้ตั้งใจทามากเลยทําแบบไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยก็มีคนมาถามว่าถามช่างคนแรกว่าทาอะไรผมก็ออิฐครับอา้าช่างคนที่สองก็ตอบว่าผมกำลังสร้างกําแพงครับก็าถามช่างคนที่สามตอบว่าผมกำลังสร้างวัดครับสามคนเนี่ยทํางานที่เดียวกัน แต่ความคิดเนี่ยไปคนละทิศคนละทางเลยคือช่างคนแรกเนี่ยมองว่าสีที่ตนทำเนี่ยแค่ก่ออีกเท่านั้นส่วนช่างคนที่สองเนี่ยก็คือการก่อกําแพงแต่คนที่สามเนี่ยมองว่าสีตัวเองทําเนี่ยในการสร้างวัดช่างคนที่สามทำ ม, มากกว่าสองคนแรกด้วยแต่ทําแล้วมีความสุขไงก็แรงจูงใจมันต่างกันทางโลกกับทางธรรมนี้ไม่เหมือนกันนะทางโลกนี่ทําเพื่อเอาแต่ทางธรรมเนี่ย Herman. ทําเพื่อละบางครั้ง เรามากักจะด้ยินคาถามว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรอันนี้คำว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรเนี่ยก็ทำให้ไม่อยากทำถ้าทำก็ต้องมีสิ่งตอบแทนต่างกับพระแม่ชีที่ทำโดยไม่ได้หวังอะไรจะทำแบบไม่อู้ทำให้งานสำเร็จไข่ที่ถามก็มีความสุขกว่างานมีประสิทธิภาพอย่างเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่ดอนสุเทพยังไม่มีถนนขึ้น ใครจะไปนะักมัธการพระาธาตเนี่ยก็ต้องขึ้นทางทางวัดผาลาชกว่ายาปีขึ้นไปบนดอยได้เนี่ยโอ้ลำบากมากเลยต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงทางก็ไม่ดีเหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้ทางขึ้นวัดผาลาดก็ยางขึ้นง่ายคูบาศรีวิชัยเห็นว่าการที่คนมาคขึ้นดอย อ, อยี่ยาลำบากมากเลย ท่าจึงมีความคิดที่จะสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพคั้นความคิดของท่านแพร่หลายไปเนี่ยชาวบ้านเมื่อจะเป็นชาวเขาชาวกะเหรี่ยงแมวหรือจังหวัดใกล้เคียงกมจะเป็นลำปางลำพูนเนี่ยพรู้ข่าวก็ตั้งใจมาช่วยด้วยจิตศรัทธาถนนขึ้นดอยสุเทพเนี่ยประมาณ11กิโลครึง่งเริ่มทำตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน ขอสองสี่เจ็ดเจ็ดชาวบ้านก็มาช่วยกันเอาจออเอาเสียมวันหนึ่งเนี่ยก็ใช้มีคนมาร่วมประมาณห้าหกพันคนนะแต่ละคนเนี่ยตั้งใจประทามากเลยโดยบางทีก็หาอาหารมาเองก็สร้างที่พักเอาเองพักแบบ ง, ง่ายๆคนมีฝากระตือล้นคือทำด้วยจิตศรัทธาไงก็ใช้เวลาแค่ห้าเดือนกับย2ิบสองวัน สมรริดดาวสุเทพก็สำเร็จมาะสทธิอ์อนที่ส0มสิบเมษายนสองสี่เจ็ดแปดก็ถือเป็นความมสัจจัรย์และเป็นบารามีของครูบาศีวิชัยทุกครั้งที่พูดเรื่องการทำงานเนี่ยอามาจะนำเรื่องนี้มาเล่าเสมอเพราะเห็นว่าบางครั้งงานที่ยากเนี่ยถ้าเราทำด้วยจิตธาและเป็นประโยชน์กับมหาชนประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันทำสำเร็จได้แล้วก็เร็วด้วย แล้วคนที่ทําก็มีความสุขทุกวันนี้ไปดอนหยุดเทพก็ง่ายแล้วแต่ตัวมาก็เคยเดินขึ้นนะเดินขึ้นจากวัดดโมงอามาก็เดินจากวัดดโมงเนี่ยแล้วก็ขึ้นทางวัดผาลาดโอ้โหจะขึ้นถึงดอนหยุดเทพจากข้างบนเนี่ยก็เหงื่อท่วมเหมือมนกันเคยลองขึ้นลงหลายครั้งแล้วก็เลยเห็นความยากลําบากของคนสมัยก่อนเพราะว่าคนจะขึ้นไปต้องมีจิตศรทธาจริงอยากไป ั ก, การพระธาตุดอยู่เทพแล้วงานบางอย่างาธรรมก็มีการขัดแย้งได้ทางอารมณ์อย่างอาจารย์พูมิวงศสเนี่ยก็เขียนเล่าไว้ในชวนมึนชื่ น, นว่าสมัยที่ท่านเป็นพระใหม่ช่วงนั้นวัดหนองอ้พงเนี่ยมีการสร้างโบสถ์สร้างโบทบรเนินแล้วดินเนี่ยเหลือไว้กองใหญ่มากเลย หลวงปูชาก็ให้พานเนี่ยนำดินกองเนี่ยไปไว้ที่อื่นพาก็ทำตามโดยใช้เวลาขนดินเนี่ยต้องสามวันนะหลังจากฉันเช้าเสร็จก็เริ่มลงมือทำกันเสร็จก็เย็ น, นยพาทุกรูปก็ตั้งใจขนกันหลังจากขนเสร็จแล้วทุกคนก็ปลื้มใจมา ง, งานสาเร็จแล้วหลวงปูชาก็มีธุระ ต้องไปเยี่ยมวัดในสาขาโดยไปประมาณสามวันผู้ช่วยเจ้าวาดน่าจะเป็นหลวงพ่อเลี่ยมก็มาบอกให้พวกพระเนี่ยย้ายดินเพราะว่าดินตรงนี้ไม่ถูกต้องที่ตรงนี้ไม่ควรจะเอาดินมาไว้พวกพระก็จำใจต้องย้ายอีกอีกสามวันสามวันผ่านไปหลวงปู่ชากลับมาที่วัดมาถึงก็เห็นกองดินเนี่ย อยู่ผิดที่ตามที่ท่านสั่งท่านก็เเรียกพระมาปอกใหพระเนี่ยย้ายกลับไปที่เดิมที่ท่านสั่งตอนแรกอะ่ะอาจารย์โพวงโสโมโกรธมากเลยนะไม่พอใจท่านก็ดา่าบอกว่าวัดนี้เนะี่ยช่างไม่มีระเบียบวินยัยทํางานไม่มีกฎเกณฑ์พวกฝรั่งเนี่ยจ ะ, จะชอบเรื่องเหตุเรื่องผลไงมันรู้สึกว่าคําสั่งของครูบาอาจารย์เนี่ยมันไม่มีเหตุผลรองรับเลยอะ แล้วทาก็เด็ดเหนื่อยมีรางวานนัลก็คือเป๊ปซี่หรือน้ำส้มน้ำบัลลมสมัยนั้นเป็นรางวัลท่านาก็จับจ่ายลองขนเนี่ยเพราะหลวงปู่ชาสังท่านก็ทำไปบนไปรถเข็นดินเนี่ยก็หนักอึ้งเลยจนพระไทยเนี่ยก็ค่อยบอกท่านว่าปัญหาของท่านน่คือคิดมากจา์โพบังโศเนี่ยได้ยินอย่างนั้นเนี่ยท่านถึงตื่นตัวเลยว่า จริงฮะเราคิดมากบางทีทำงานไม่ยากหรอกแค่ทำไปเดี๋ยวก็จบแล้วตอนนั้นลดขนดีที่หนักเนี่ยก็เลยเบาเบาลงเลยคันดีเลยเรื่องนี้ก็ไปดูท้าหอนว่าบางทีความคิดเนี่ยมันทำให้งา น, นยากทำแล้วอึดอัดขัดใจถ้าลงมือทำง่ายกว่านึกถึงเรื่องขนดินะทำแอ่มาเนี่ยนึกถึงตัวเองเมื่อสมัยปี รู้สียว่ป า, ป, าปี51จำไม่ผิด น, นะเสรมานันว่าป่าสุกโตเนี่ยจะไม่มีทนอลูกรางแบบที่เราเห็นหรอกเวลาฝนตกมาเนี่ยก็จะโดนน้ำขังอย่างสาราหน้าเนี่ยหรือทางว่าทุกเส้นเนี่ยจะเป็นเป็นดินธรรมดาแล้วก็เป็นแอนงบางทีบางที่จากฝ่ายนอนได้สบายๆเลยเวลาฝนตกนะหรือไม่กระืืนตอนนั้นสั่งสั่งหินเน่ยหินหินกวาดมา มาลงที่สาราน่าสามกองใหญ่เลยช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระต้องไปสอบนับถรรมกันหมดไม่มีใครอยู่วัดเลยอาณาบาเห็นก็เห็นกองหินสามกองเนี่ยโอ้ถ้าเราจะร้อยพระสอบนับธําเสร็จเนี่ยก็ต้องใช้เวลาสี่วันเราลองทําดูไหมก็เลยคิดถึ่างนั้งงนนะอาณมาตัดสินใจเลยขนขนหินคนเดียวเนะี่ยสามกองเราไปแรงจูงใจบางอย่างอยากจะลองดูว่าเราทําได้ไหมอาณมาชันเสร็จอาณมาลงมือทําเลยคนเดียว ตั้งแต่ทำแต่ทำแบบเรื่อยๆนะตอนเย็นก็เสร็จสินสามกองเอาไปถมตรงรู้ตรงนี้เนี้ยสารหน้าเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีให้เห็นละเพราะว่าไร้ร่องรอยมันเปลี่ยนแปลงไปแต่เราก็ทำสำเร็จนะด้วยคามมุ่มั่นการลงมือทำบางทีไม่ยากแต่ถ้าคิดคิดรูคิดดีอะยากถ้าสมัยนี้ก็จะมีหลวงพี่เกื้อเนี่ยที่ว่า ถ้ามีปัญหาเรื่องงานเนี่ยบอกท่านนะถ้รีบมาทําด่วนเลยไม่ยอยงานค้างๆแต่ถ้าบอกบางคนเนี่ยก็อุ้ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ่ะพรุ่งนี้เออเดี๋ยวมาลืนะ่น่ะซึ่งจะช้าบางทีต่างกับลวงพี่เกื้อที่บริการด่วนทุกครั้งจนรำมาเกลงใจท่านเหมือนบางทีท่านเนี่ยคนไม้ล้มเนี่ยทำปั๊บเดียวเสร็จเลยบางทํางานถ้าทําแล้วสนุกก็มีความสุขอย่างว พ, พ่อพุทธทาได้แต่งกอนไว้นะ อันทำงานนั้นประเสริฐตรงที่สนุกยิ่งทำงานยิ่งเป็นสุขทุกสถานทำชีวิตให้สดใสใจเบิกบานอยู่ในการงานประจำวันนั่นเองนาเมื่ออย่างนี้มีแต่คนวิบลจิตเย็นสนิทดวงใจและโทษะเกิดสังคมที่อุดมด้วยเมตตาอยากเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมขนว่งงานล้นเหลือเผื่อแพ่ทั่วสัตว์ทุกตัวใหญ่น้อยคอยสุขสมทั้งเมืองเล็กเมืองใหญ่ได้ชื่นชม โลกระดมสุขวางทางทานิพพานทํางานก็สะดุกได้และเป้าหมายของการทํางานเนี่ยก็เป็นการลดละอัตราตนเองไม่ได้ทําเพื่อเอาเพราะขณะที่เราทํางานเนี่ยเราไปจิตอาสาเนี่ยเราทําไปงานสําเร็จเมื่อจะเป็นฝาดถนนหรือทําอย่างอื่นเก็บขยะอย่างฝาดถนนนี่ก็เป็นฝาดใบไม้ ก็สามารถเจรสติสร้างค ร, ร, รู้สึกตัวได้กาดที่ฝ่าเนี่ยเราก็รู้ตัวไปรู้ึกตัวไปรู้ึกตัวไปต่างกับคนที่ทำด้วยความจํําจาใจแล้วจะด่าอุ้ยใบไม้หล่นไปอีกละพึ่งฝา่ายเมื่อกู้นี่เองยิ่งช่วงแบบช่วงหน้าหนาวเนี่ยใบไม้ตกบ่อยทั้งวันแหละพอฝ่าไปแล้วเดี๋ยวก็ใบไม้ลงไปอีกหรือไม่ก็ตัวแปรคือไก่ไก่เนี่ยคุยเละเทะหมดอะบางที เราฟาดไปไม้เกี้ยงไปแล้วไก่ก็คุยไว้อีกบาทีเราก็ฝาดอีกหรือเก็บขยะเก็บขยะเนี่ยคนวางใจให้เป็นไป ด, นด่าคนทิ้งเลยแหละด่าคนทิ้งแต่ถ้าคนทํางานเป็นก็จะไม่ด่าเลยกับขอบใจด้วยทําให้เราได้สร้างบา ร, รมีได้ทำความดีหรือแม้แต่ล้างห้องน้ําก็เป็นการปฏิบัติธรรมพ่อวัดทั่วไปเนี่ยถ้าห้องน้ําสกปรก มีขยะเยอะเนี่ยโยมเห็นโยมก็ เ, ก เ, เล่าลือกันไปวัดนี้สปกปรกห้องน้ําก็สปกปรกอาณาบริเวณก็สปกปรกแต่การทํางานบางทีก็ขัดแยง้งเหมือนกันอย่างตัวมาสมัยก่อนเราก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรหรอกเราอยากทําเราก็ทําเลยแถวหน้าห้องน้ําทุกวันที่เราเห็นอยู่นะี่ยหน้าห้องน้าพาแถวนั้นนะมันจะเป็นทิ้ทงขยะอัดมาเห็นเข้าเอ๊้เราเราสามารถเอาขยะทิ้งแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้คนเห็นสบายใจได้แล้วก็สร้าง ทางเดินให้ดีหน่อยตอนนั้นอาจารย์วิระชัยก็เพิ่งมาอยู่วัดใหม่ๆแล้วหละท่านก็เป็นนายทูลให้อหะออกตังค่าค่าทําดูทํานี่ให้ซื้อต้นไม้มาให้แต่การกระทําของอาธมาเนี่ยขัดแย้งกับฝ่ายบริหารของวัดนะเพราะว่าเหมือนกับล้ำเส้นแหละคือเราไม่ปรึกษาไม่บอกกล่าวอยากทําทําเลยไงจนฝ่ายบริหารไม่พอใจอาธมา ต, ต้องขอโทษขอพโพยแล้วขอโทษแล้ ว, ข อ, ลวขอโทษอีกเรื่องนี้ก็อู่ทาหอ เี๋นี้เราทําอะไรเราก็ไม่ล้าเส้นคนอื่นแล้วอยู่ในขอบเขตที่เราทําได้อย่างตัวมาก็มีไอดอนนะไอดอนไอดอนขอละมาเนี่ยก็คือหลวงพ่อสินไกรบางครั้งเราเจองานอุปสรรคที่ยากลําบากเนี่ยเราก็สามารถทำให้สําเร็จได้หรือถ้าเราทําไม่สําเร็จเราก็ปล่อยวางหลวงพ่อสินไกรสมัยหนุ่มๆเนี่ยท่านเห็นภูเขาลูกหนึ่งนะภูเขาภูเขาที่มันเป็ น, เ ป, นเป็นเครือเขายาวเลยฝงัง หมู่บ้านกับในเมืองถ้าคนจะไปในเมืองจะต้องเดินทางไกลมากเลยทั้งที่มันอยู่ไม่ไกลนะแ้่ภูเขาสูงชันเนี่ยบางช่วงก็มีหิมะตกคนขึ้นไปเก็ตกเขาตาย ก, ก็เยอะแยะหรือบาดเจ็บถ้าเห็นแล้วก็เกิดความสงสารนะตอนนั้นถ้านยังหนุ่มๆอยู่ท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าช่วยชาวบ้านดีกว่าท่านก็เลยมีความคิดว่าจะต้องเจาะบง ให้ทะลุภูเขาให้ได้ชาวบ้านจะได้ไปในเมืองสะดวกและแม่ตะลายถ้าคิดอย่างนั้นแล้วท่านก็ลงมือทำเลยนะชาวบ้านเนี่ยนอกจากไม่ไม่สาทุ่ท่านแล้วยังด่าท่านอีกหรือดินทาท่านว่าท่านจะเป็นผ้าบ้าทําในสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่คิดจะทํากันนะท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็ไปบิณฑบาตฉันอาหารเสร็จท่านก็เอาค้อนแล้วก็เอาสกัดปะตอกหินไปเรื่อยๆ โดยทำทั้งวันแหละจะมีพักก็ช่วงกินข้าวแล้วก็คือตอนนอนนั่นแหละภูเขาลูกงนี้มีความยาวประมาณเก้าร้อยเมตรเก้าร้อยเมตรนี่ก็เกือบกิโลนะวันแล้ววันเล่าที่ท่านทําเนี่ยทําตั้งแต่เป็นหลวงพี่นะ่ะการเวลาผ่านไปใช้เวลาทำถึงสาสิบปีจดกลายเป็นหลวงพ่อภูเขาลูกนี้ก็ทะลุเชื่อมต่อกันทําให้ผู้คนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากการทํางานของท่านเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ตอนนี้ยัมีหลักฐานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือจังหวัดบูเซ็นทางตอนใต้ของญี่ปุ่นก็ไม่น่าเชื่อนะว่าพระรูปหนึ่งเนี่ยจะสามารถเจาะุโมงกุได้ด้วยค้อนกับส ก, กัดถ้าหัวใจท่านไม่มั่นคงพอเนะี่ยทำไม่ได้หรอกคือท่านทําแล้วถ้ามีความสุขไงมีความสุขจากการการะทำของท่านถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยการทํางานบางครั้งก็ต้องปล่อยวางนะเพราะงานบางอย่างเนี่ยทําไม่ปล่อยวาง เราก็ต้องยึดต้องแบกอันนี้ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้นะอาศัยประสบการณ์เหมือนกันทานพมวงโสเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นช่งางประจาวัดนะวัดยากจนท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวัดไหนนะแต่ท่านบอกว่ามีคนถวายที่ดินให้ท่านก็อยู่กับเจ้าอาวาของท่านแหละจะทําอะไรพกักต้องทาอะ่ะเพราะไม่มีตามจ้างช่างมาทําไง จเจ้าวาอท่านเนี่ยสร้างกรแพงวัดอาจารย์ภูบางสูก็ตั้งใจทำมากเลยนะท่านก็ทำจนเสร็จแล้วแหละกรแพงวัดดูสวยงามแต่แล้วสายตาท่านก็เหลือบมาเห็นก้อนอิฐสองก้อนที่มันไม่เข้ากับกำแพงที่ท่านก่อท่านรู้สึกไม่สบายใจเห็นแล้วทุกข์จึงไปปรึกษาจเจ้าวาด ขอทุบกระแพงทิ้งแล้วทำใหม่ได้ไหมเจ้าวันไม่ยอมถือว่าทำแล้วก็แล้วไปแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องขาใจของท่านนะเวลาโยมมาเที่ยววัดเนี่ยท่านจะไม่ยอมพาโยมไปเดินชมกระแพงเลยแต่แล้วก็ไปอยู่วันหนึ่งก็มีโยมเนี่ยชมกระแพงแล้วยมก็เอ่ยปากกับท่านว่ากระแพงเนี่ยสวยดีนะ การพมได้ฟังดังนั้นก็เอ่ยคิดว่าคุณสายตาเสื่อมเหรอไม่ได้ใส่แว่นเหรอไม่เห็นเลยว่าอีสองก้อนเนี่ยมันไม่สวยมันอยู่ผิดตําแหน่งโยมก็เอ่ยคิดว่ากระแพงเนี้สวยมีอีสองก้อนนี่ไม่สวยแต่อีเก้าร้อยเก้าสิบแปดก้อนน่ะสวยงามจึงเห็นว่าสวยโห้ได้ยินดังนั้นเนี่ย อาจารย์พรมเนี่ยเก็ตที่นมาเลยคือท่านเปลี่ยนธ่าทัคติเลยนะเพราะตอนแรกท่านเพง่งมิจิอีกสองก้อนหรือมองความงามของกระแพงที่ท่านได้ตั้งใจทําไว้ท่านก็เลยมีความสุขกับตอนหลังท่านทา น, นาทานนาคติท่านเปลี่ยนไปเลยคนเราก็เหมือนกันบางทีมีความสุขอยู่แล้วอย่างเรามีกระยาพิษเนี่ยมีคนรักเราเนี่ยสมมติในวัดเรามีห้าสิบคนเนี่ย คนที่รักเราสักสี่ห้าคนขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีคนเกลียดเราสักสองสามคนเนี่ยไม่ชอบที่หน้าเราเนี่ยมันก็เบื่ออีกสองก้อนเนี่ยบางทีเราไปเพ่งกับคนที่เกลียดเราแต่คนที่รักเราอ่ะหรือชอบเราแล้วเราเราดาบองข้ามไงไปเสียเวลาคนที่เราเกลียดถึงไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยการทํางานก็เป็นการปล่อยวางเป็นการทําใจด้วยยังสบายก่อนว่าฒนาเทปิก วัดของไม่ฉี่ปุ๊บเนี่ยแหะ ว, วัดนี้ก็เป็นวัดที่หลวกข้อประสิทธิ์ท่านชอบให้ให้พระกับไม่ฉีทํากรรมกรกอร่อสร้างกันเมือ่อจะเป็นโบสถ์หรือสาราต่างๆเนี่ยก็เกิดจากขึ้นเกิดขึ้นจากแรงงานพระนันเลยขุดบอ่อน้ําอะไรเงี้ยตั้งบอ่อเก็บน้ําเนี่ยถ้าเราไปเห็นเราจะเห็นเห็นร่องรอยอยู่เลยว่าเป็นแรงงานพระแล้วงานก็ทำํำง่ายๆนะเพราะที่นั่นเป็นภูเขา่ง จะต้องใช้พลังมากเลยในการทําแต่ละครั้งเนี่ยแต่ทุกคนก็ทำด้วยความสนุกนะเพราะว่ามิศัธาคือตัวห ก, ก็ศรัทธาแม่ชีก็ศรัทธาเวลาครูบาจารย์สั่งเนี่ยแต่ละคนก็ทําด้วยความสนุกแล้วก็เต็มใจทําการทํางานเนี่ย ก, ก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้หลวงพ่อพุทธทาได้แต่งกอนไว้เนี่ยว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมอันการงานคือคุณค่าของมนุษย์ขอไม่เกียรติสูงสุดอย่าสงสัย ถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไรได้รู้ทำฉับซึ้งจริงเพราะการงานเป็นตัวการเบงพองพืรรทำคุศลกรรมกล้ามปนมามีค่ายิ่งถ้าจะเปรียบก็เปรียบคนฉลาดไม่พลาดยิงนัดเดี๋ยววิ่งเก็บนกหลายพกมาคือการงานเราต้องทำด้วยสติมีสมาธิขันตีมีอุตสามีสัจจะมีธรรมะมีปัญญามีศรัทธาก้าหารลักงานจริง อัเป็นกรที่หลวงพ่อพุทธาแต่งไว้ก็มีหลายวัดนําไปตจีบบนป้ายเลยให้กําลังใจพระแม่ชีในวัดพราะสามารถทํางานและปฏิบัติธรรมด้วยได้เพราะเราไม่สามารถมาเจตติในรูปแบบตลอดเวลาหรอกชีวิตของเราก็ อ, อยู่กับชีวิตประจำวันเราคือการทํางานนั่นแหละไม่ใช่ไปล้างจานข้าวทำหกข้าวปัดใบไม้เก็บขยะหรือการ อ, อื่นอืน่นทีคือการเจตตินอกรูปแบบ เราสามารถเอามาเชื่อมโยงกับกายปฏิบัติธรรมในรูปแบบได้แล้วถ้าทำบ่อยๆก็ทำเป็นเนี่ยจิตใจเราก็เข้มแข็งขึ้นเจออุปรสรรคเราก็สามารถผ่านได้เจอปัญหาเนี่ยเพราะปัญหาเท่าเราเก่งขึ้นไงไม่เราทำงานสำเร็จอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลา